เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รวงประพุทธญาณในวันนี้ก็คงเป็นพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะห้ามพวกปัญญบกีดไม่ให้เรียกพระองค์โดยชื่อแล้วก็ใช้คำว่าอาบุโสเพราะว่าเวลานั้นพระองค์เป็นพระอาหารหันต์จะรู้เองโดยชอบ สรงใชส้สรรนามกับภิกษุปัญญบคีรีเป็นครั้งแรกก็คือใช้คำว่าตาตาคตว่าภิกษุทั้งหลายตาตาคตเป็นอรหันต์จะสรู้เองโดยชอบคำว่าอารหันต์หรืออรหังเป็นคำที่ใช้กันมาก่อนพุทธกาลราะเราจะพบว่านักบวชคณาจารย์เจ้าลัทธิต่งางๆที่มีอยู่ในสมัยนั้น ส่วนมาชาวบ้านก็เข้าใจว่าท่านเป็นพระอระหันต์แต่ถ้าเรามองเป็นภาพรวมๆเนี่ยกระกองคาว่าอารหรันต์ของคนเหล่านั้นก็คือแปลกจากบุคคลอื่นในสองแบบก็ดีจนผิดปกติแล้วก็เพี้ยนๆจนผิดปกติคนก็จะเหมารันว่าเป็นพระหรัน ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่คนอื่นเขานุ่งผ้าเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งไม่นุ่งผ้าคนก็ยกย่องสันเสริญว่าเป็นพระอระหันต์หรือบางทีไม่ถึงกับเปลือยหรอกแต่ไปนุ่งใบไม้ไปนุ่งป่านไปนุ่งผ้ากาพลที่ทำด้วยผมคนอะไรเนี่ย หรือเครื่องแต่งนาแต่งตัวการแต่งเนื่อแต่งตัวที่แปลกมนุษย์คือมนุษย์เขาไม่ทากันเนี่ยคนพวกหนึ่งไปําคนจำนวนหนึ่งนะฮะคือไม่ได้ทำหมดก็ไปให้การยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์อีกแนวหนึ่งก็คือมีความสุภาพเรียบร้อยสวยงามมีปกคลิกลักษณะสง่างาม อย่างพระพุทธเจ้าที่อุปการชีวกมาพบเห็นท่านก็มองเห็นเป็นพระอระหันต์เหมือนกันก็เป็นยุคสมัยที่มีการแสวงหาอารหันต์กันเพระาะอรหันต์จึงเป็นคําที่กรอบไม่ค่อยจะชัดเจนนะฮะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจะสรูป ก็เป็นเรื่องของความเชื่อถือความปักใจฝังใจของคนก็ในการต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าสัสดจุลคำว่าอาระราหังจึงมีความหมายก็เรียกว่าเรานิยามใหม่นะฮะนิยามความหมายของคาว่าพระอาราหังในพระพุทธศาสนาบางครั้งบางคราวก็ใช้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติด้วย เช่นว่าอารหันตะกีณาศพแปลว่าเป็นพระหันที่มีอาสวะหมดไปแล้วหรือสิ้นไปแล้วดังนั้นคํำว่าอารหังจึงมีความหมายอยู่สีแนวด้วยกันแนวหนึ่งก็คือภูคกก า, า, ากรรมแห่งสังสารวัฏก็ถือว่าเป็นตัวแนวหลักคำว่ากรรมแห่งสังสารวัฏนั้นก็คือเหตุ ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏจะอย่างโครงสร้างของปฏิจจสมบาทสายเกิดคือเราจะเห็นว่าตัวหลักจริงๆก็คืออวิชากับสังขารพูดง่ายๆว่ากิเลสกับกรรมแต่คำว่าอาวิชานั้นถึงสังเกตว่าไม่ใช่อวิชารุนรนะันั้นก็มีคุณธรรมอยู่หลายระดับ เพราะแม้แต่คุณธรรมระดับเป็นพระนาคามีก็ยังต้องเกิดอีกก็แสดงว่าระบใดที่ยังดับอวิชชาไม่ได้เนี่ยท่านก็เรียกคำามาอาวิชชาทีนี้คนที่จะดับอวิชชาได้ก็มีเฉพาะพุทธบุคคลสามประเภทคือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัเจกพุตเจ้ า, จาและพระอนัสสาวก ท่านเหล่านี้บางครั้งบางคราวเราคุ้นๆกับคำพูดตอนท้ายประสูตรเนี่ยว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานเพราะอาสวะกบอุปาทานที่จริงก็เป็นกิเลสด้วยกันก็เรียกว่าผิดเป็นกิเลสวัสด์คือตัวหมุนวนคือกิเลสก็อาสวะก็คือ กามคือพบคืออวิชชาแต่อุปาทานนั้นก็คือคือกามคือความเห็นคือการประพฤติปฏิบัติแล้วก็อวิชชาเหมือนกันก็สรุปแล้วก็คืออาการของโรคปวดหลงนั่นเองแต่ว่าเวลาเราไปศึกษาในตำรับตำราจะใช้คำว่ากาหะนี่มากมากกว่าอุปาทาน กหะก็คือตัณหากหะการยึดถือด้วยอํานาจของตัณหาการยึดถือด้วยอำนาจของมานะการยึดถือด้วยอำนาจของทิชชิคือหมายความว่ามีตัณหามีมานะมีมีทิชชิอยู่ภายในใจก็เป็นเหตุให้เกิดยึดถือผิดๆในเรื่องดอกนั้นออกมาเป็นสี่สามแนวนะฮะแนวหนึ่งก็ยึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเราเป็นหรือยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เพราะนเมื่อท่านทำลายกิเลสกับกรรมปฏิสนธิบิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะเหตุปัจจัยให้มีมันมันดับไปเพราะเในวัาท่านตายจึงไม่มีอะไรไปเกิดไม่มีการเกิดไม่มีผู้เกิดไม่สถานที่เกิดไม่มีทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอนัตตาที่แท้จริงนะเปลวว่างจากกิเลสว่างจาก ตานามาหน้าที่ที่ต่งหลายหรือว่างจากกรรมว่างจากสังสารวัฏก็ได้คําว่าสุญญาตาได้แปลว่าว่างหรือบางทีเราก็เรียกว่านัตตานะนัตตาก็แปลว่าไม่ใช่ตัวเชื่อตนแล้วก็ความหมายความหนึ่งก็คืออธิบายว่าสุญญาตาก็คือว่างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคค ร, ราชซึ่งมากราบทูลถามปัญหา ว่าท่านจะมองเห็นโลกอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากอำนาจของมัจจุราชคือไม่ต้องตายอีกพระเจ้ากระส่งแสดงว่าดุก่อนโมคค ร, ราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างแล้วก็ถอนอัตานุติคือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็น ต, น, ตนออกไปแล้วมัจจุราชก็จะตามไม่ทันคือไม่ต้องเกิดนะครับไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายแต่ว่าในชาติปัจจุบันเป็นวิบากขัน คือขันในปัจจุบันเนี่ยเช่นสมมติว่าพระกรณ์ในท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหานแต่ว่าขันคือชีวิตของท่านเนี่ยที่จริงมันเป็นผลมาจากกิเลสกกรรมเพราะเมื่อเป็นผลจากกิเลสกกรรมก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนะและต้องพลาดพราดแต่ว่าตอนท่านดับจิตเนี่ยกิเลสมันดับไปก่อนแล้วผลเมื่อจิตดับมันก็ไม่มีกิเลสกกรรมเป็นตัวสร้างวิญญาณ จึงไม่เกิดนามรูปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะเป็นนามนะฟังได้นะคือ เ, เหลืออยู่แต่คุณแต่ว่าถ้าเป็นรูปแล้วมันก็ไม่ได้เพราะรูปนั้นจะต้องเกิดจากกรรมแต่ว่านามเนี่ยบางทีก็ไม่มีกรรมนะนิพานก็เป็นนามเลยนิพานก็ไม่มีกรรมอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึง ไกลคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายนั้นแม้จะเห็นรูปฟังเสียงดุ่มกินดิ้รด ถ, ถูกต้องหย็ดน้อมอันแขางที่สวยงามยังไงก็ตามมันก็ไม่เหมือนดุสีที่หล่นอย่างที่เล่าไว้ในเรื่องของมีสีปรปตนะคือพระไทยจะไม่หวั่นไหวไอ้รูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นอหอมรถอร่อยสัมผัสน่าจะต้องมักคงมีอยู่นั่นแหละคือไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็มีก็เจอ ก็พบกันแต่ว่าจิตใจจะไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบเ่านั้นท่านเรียกว่าตาทิโนคือคงที่จิตใจเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่หรือว่าเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยไม่ยินดียินร้ายต่อการทำอะไรของใคร คือไม่มีจิตเป็นกําหนดหมายคือไม่เอาเราเข้าไปรับนะแต่ความเราสังเกตว่ า, าลักษณะเราเนี้เช่นเช่นสมมติว่าเราไปเจอคนก็าด่ากันถ้าเรากันเราก็ยืนดูอาจจะเชียวนึกอยู่ในใจเชียวหรืออาจจะเอาถ้าเอาทางก็ได้แล้ว อ, อาจจะชมคนที่ด่าได้แสบแสบคันคันบางคน ตรบใดที่เรายังไม่เอาตัวเราเข้าไปรับว่าเ้าด่าเราเนี่ยเราจะสนุกได้แต่เราแต่พอคําที่เราชื่นชมยินดีปอใจที่ได้ยินเขาด่าคนอื่นเนี่ยเขาหันมาด่าเราเนี่ยเราเอาเราไปรับอัตตาเราเนี่ยเข้าไปรับมันจะเกิดโทสะขึ้นมาทันทีทีนี้การที่เรามีโทสะเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเขาด่าเราแล้ว ร, รู้ว่าคํานั้นเป็นคําด่า ทีนี้เกิสมมุติว่าคํานั้นเนี่ยเป็นคาําด่าแต่ว่าด่าด้วยภาษาอย่างอื่นเช่นว่าด่าด้วยภาษาญี่ปุ่นด่าด้วยภาษาจีนภาษาอุรโ ด, โดอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอยังไงกิเลสเรามีนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าคํานั้นคือคาําด่าเราก็ไม่โกรธคือไม่ยินดียินได้ได้เหมือนกันทีนี้ถ้ารู้โดยไม่มีกิเลสก็ไม่โกรธเหมือนกัน มีกิเลสแต่ไม่รู้ก็ไม่โกรธเหมือนกันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยเราทดสอบได้เราสังเกตได้เราเทียบเคียงได้แน่นอนเราไม่ใช่ปลากรหันแต่เราก็เทียบเคียงได้นะว่าธรรมะปฏิบัติเหล่านี้เราก็สามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งแต่เราก็แกวงกันนะฮะหมายความว่า ปวดบ้างไม่ปวดบ้างนะฮะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าพระหันทั้งหลายนั้นท่านไม่มีความยินดียินได้เพราะนั้นทําให้ท่านไม่ทําบาปไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงก็ตามแม้แต่เขาจะมาฆ่าท่านเนี่ยท่านก็นั่งเฉยๆปล่อยเขาฆ่าโดยไม่รู้สึกยินดียินร้ายแต่อาจจะเกิดสงสารคนที่ฆ่านะฮะเพราะว่าเขาฆ่าพระหันแล้วเขาก็ตกนรก บางครัมงบางราวก็ต้องสอนต้องชี้แนะต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณาต่อเขาเพราะว่าท่านไม่ได้มีความผูกพันอยู่กับร่างกายทําให้ท่านอยู่เรียกว่าอาหุนเนยะคือผู้กวนแก่การเคารพสักการะนับถือของบุคคลทั้งหลายเพราะนักบุญสมบัติเหล่านี้ ท่านที่เป็นเท่ น, นี้ที่ที่เราสันเสริญในสังฆ ค, คุณนะอหุนโยปะหุนโยตกิตนโยนัญชริ ก, กานโ ย, ยนุตรังปัญกิตังโลกัตตะคือจะท่านจะเน้นไปที่พระริยาบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี่เป็นหลักส่วนพระเราทั่วไปก็เรียกว่าเป็นอนุโลมคือไม่ใช่เนื้อแท้จริงๆหรอกเพราะว่าเราก็ยังมีกิเลสเรายังมีกรรมอยู่เพียงแต่ว่า ไม่ให้รุนแรงอะไรมากเกินไปเท่านั้นเองก็จะพูดถึงเหมือนกับพื้นดินมันก็ปลูกพืชได้นะฮะแต่ว่าจะให้เจริญเ ต, ติบโตสวยงามใหญ่โตเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าพื้นดินไม่มีความสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยบางคนนี้สมบูรณ์เนี่ยต้องสุปฏิบัติโนจูทุปฏิบันโ น, ปปโนยายาปฏิบันโนสามีจิ ป, ปฏิบันโนที่สมบูรณ์ ทีนี้คำว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นการพูดในกรณีที่ท่านผู้นั้นจะรู้ดีจะรู้ชอบด้วยพระงเองโดยผ่านลำดับขั้นตอนการปฏิบัติไปตามโครงสร้างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็เดินไปบนโครงสร้างของเริ่มที่อนาปานสติก็อย่างที่ดูดมหายใจเข้าออกกันเนี่ยแล้วก็ไปได้สมาธิ สมาธิก็ไปออกที่ฌานไปถึงนรูปฌานนะะแล้วก็ถอยกลับมาอยู่ที่จจตุติฌานเลี้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาขันห้าตามกฎของปัะไตลักษณ์แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นวันเวลารับสั่งเล่าเนี่ยเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ความรู้ก็เกิดผุดขึ้น ผุดขึ้นที่ไหนผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์เป็นธรรมนองกระแสสว่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ความมืดก็หายไปในที่นั้นก็เป็นการหายไปอย่างถาวรเพราะฉะั้นพระาจมาสัมพุทธะ ท, ที่ต้องประกาศที่ต้องบอกท่านเหล่านั้นเนี่ยคือเป็นบุคคลในฝันเป็นบุคคลในอุดงคติของท่านปัญญวคีการที่ท่านปัญญวคีตามเสด็จพระโพธิสัตว์ มารับใช้อุปถากอุปถามอยู่ตลอดระยะเวลาห้าปีกว่าๆ เ, เพราะเชื่อมั่นในคำทํานายเชื่อมั่นในหมหาบริษัลักษณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านอญญานยากลทไม่ท่านท่านโกลทัญญาเนี่ยท่านทำนายไว้ว่าเจ้าชาติตฐานั้นจะต้องเสด็จออกพนวดแล้วก็เป็นศาสดาอย่างในโลกโดยการจัสรูท่านก็รอคอยท่านก็ผิดหวัง ที่พระพุทธเจ้าไม่ทําตามที่ท่านคิดพระโพธิสัตว์ไม่ทําตามที่ท่านคิดนะเพราะท่านเข้าใจว่าการสัตรู้จะต้องเกิดจากการทรมานร่ ก, กายเพราะนพุทธธรราหลัดตรงนี้มันก็เกิดขัดแยง้งในความคิดของท่านนะไม่อยากขัดแย้งกับความจริงเพราะท่านไม่เชื่อว่าคนที่บริโภคอาหารปกติตจะสามารถตสัตรู้ธรรมะได้นะท่านไม่เชื่อ เ, เ็อเท่านเชื่อแบบยึดติดแบบอุปาทานเห็นที่ถูกปาทานนะะถือแรงมากแล้วก็ถือนัศนะยึดจยงนั้นกล่าววัน พ, พอพระพุทธเจ้ารับสั่งเช่นนั้นหือประเด็นสำคัญคือย้ำเตือนด้วยประมากระดนานนะตถาคตเป็นอรหันสัจะสู้เองโดยชอบพว้เธอจงเงียดโสดศัดับ เราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมผู้เติรปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนไม่ช้าสักเท่าไหร่ก็จะเข้ารู้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแตงพรมจาจย์ก็อธิบายไปเลยนะแล้วก็มีประเด็นที่หน้าที่น่าศึกษาคำหนึ่งก็คือว่าลักษณะาการฟังเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิต ถ้วเกิดผลจริงๆเนี่ยบุคคลต้องเกิดศรัทธาเข้าไปหาผู้แสดงเมื่อเข้าไปหาก็ต้องนั่งกายเมื่อนั่งกายก็ตั้งใจฟังธรรมในขณะที่ฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังกําหนดข้อความและพิจารณาข้อความตามไปคือหมายความว่าจิตมันจะเกาะ อ, อยู่ที่กระแสความธรรมะตะลอดกระวนการฟังฟังในลักษณะนี้จะทรงแสดงไว้บอ่อยก็ให้ตั้งใจฟังพูดง่ายๆว่าเงี่ยหูลงฟังคือให้ตั้งใจฟัง เราได้บรรลุอมะตะธรรมแล้วอมะตะธรรมคํานี้อย่างหูวงปู่นจะเคยเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นคําที่มาจากความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์สมัยนั้นที่จริงเขาไม่เรียกว่ า, าศาสนาพราหมณ์นะฮะเป็นลทัทธิครูทั้งหกแต่ว่าพวกพราหมณ์น่งถือเลยก็เรียกรวมบววัวมาเป็นาศาสนาพราหมณ์แม้ปัจจุบันเองเขาก็ไม่เรียกว่ า, าศาสนาพราหมณ์นะก็ เ, เรียกว่ า, าศาสนาฮินดู เห็นแต่ว่าพวกพราหมณ์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนเป็นนักบวชส่วนมากแต่นั้นเองศาสนาพราหมณ์ก็คือศาสนาของพวกพราหมณ์นะและบางอาจจะอย่างหนึ่งก็คือสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องพรมยังพรมมันเนี่ยก็ทำให้ไปผูกพันอยู่กับคำว่าพราหมณ์พราหมณ์ก็คือเหล่ากอของพรมเออ ควาสอนเรื่องอมะตะเนี่ยอมะตะมันก็ชื่อเหมือนๆกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันคืออมะตะของพราหมณ์นั้นหมายความว่าบุคคลได้ดื่มน้ําอมฤตโปรเทวดาที่เรียกว่าอมร์เนี่ยดื่มน้ําอมฤตอมฤตที่กวนกระเสียดสมุดกันมาเนี่แล้วก็จะไม่ตาย คือหมายความท่านเกิดมาแล้วนะั่นท่านเกิดมาแล้วแต่พอดื่มน้ามาบรรลุเสร็จแล้วท่านจะไม่ตายเมื่อก่อนเนี่ยท่านตายกับเทวดาจุตินั่นก็เป็นความเชื่อนะฮะจริงจริงเทวดาก็จุติอยู่นั่นแหละก็เหตุให้เทวดาจุติมันก็มีแล้วเทวดาเหล่านั้นก็จุติอย่างพระอิน์สมัยพุทธกาลก็จุตินะฮะจุติต่อพระพักพระพุทธเจ้าที่อินทรสารนะโผหา แต่จติแล้วปฏิสนธิเลยคือเป็นประอินทต่อเพราะว่าบุญบา ร, รมีที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอมตะของพระพุทธเจ้านั้นที่จริงก็คือตัดสาเหตุของความเกิดเพราะาด้วยสังขารร่างกายในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องแตกดับสังขารร่างกายของเจ้าชายชิตตถะที่มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ต้องแตกดับแต่หมายความมาชาติต่อไปเนี่ย คำว่าอ ม, มาตะคือไม่ตายเนี่ที่จริงมันพูดถึงชาติต่อไปเพราะมันไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าในชาติปัจจุบันที่จริงวิบากขันเนี่ยว่าต้องแตกดับเพียงแต่ว่าพระหรรั น, น, น, นะ น, น, น, น, นถ้าเรียกว่านิพานนะฮะเรียกว่านิพานแต่นั่นเองเรียกว่าขันนนิพานคือดับขันเพราะว่าท่านดับ ก, เ ก, ก, เกิเลสมาก่อนเรียกกิเลสนิพพานคือดับกิเลสมาก่อนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นการดับขันเพรา ะ, ะ น, นาาระธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือการตัดทำลายกิเลสอย่างสิ้นเชิงนะฮะโดยความหมายที่สมบูรณ์จริงๆต้องสิ้นเชิง แตข่ข้อนี้ทัางฟังลองลองนึกดูนะว่าเราคุ้นๆอยู่คำนึ่งที่ว่าอัปมาโดอมาตังปดังปมาโดมัจุโนปดังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นมะตะคือทางแห่งความตายนั้นแสดงว่าอมะตะธรรมเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้ระดับหนึ่งะ นั่นก็คือการครองตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทและเป็นไม่ประมาทที่ที่ค่อนข้างจะสาคัญมากในปัจจุบันเนี่ยคือไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคเพราะถ้าเราดูจริงๆชีวิตเราปัจจุบันในสุ่มเสี่ยงเยอะเลยชีวิตก็เสี่ยงโรคภัยก็เสี่ยงแล้วก็วัยเราก็เสี่ยง เพาบคนตายง่ายตายไดย้เกินปัจจุบันโดยเฉพาะอบัติเหตุต่างๆเนี่ยนั่งรถคราวนัองก็ต้องทำใจทุกทีจะได้กลับหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทแล้วมันก็มองเห็นว่าชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ทำยังไงให้ตายดีหน่อย ก็คือพยายามละอกุศลสุจริตทางกายทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็พยายามประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจแต่ทํายังไงจะชัดเจนแล้วอะไรเป็นสุจริตสุจริตก็พยายามทําความเห็นของตนให้เป็นสมมติิทธิ mm. <ๆ S 1> คือมีปัญญาเห็นชอบถึงความจริงชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆถ้าก็สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่า ดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางของของอมตะธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้ไม่ตายแล้วว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยความไม่ประมาทก็คือการที่มีสติสมบูรณ์นั่นเองตอนพระอรหันต์ท่านจึงเรียกว่ามีสติสมบูรณ์ก็แสดงว่าใครก็ตามที่มีสติสติมากเท่าไหร่เนี่ยก็เรียกว่าเข้าใกล้าทางที่ไม่ตายมากขึ้นเท่านั้น ความไม่ประมาทกับความมีสติจึงเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เป็นปัจจัยของการละกันต้องฝังทั้งหลายแต่หลงปโพติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี